บุกทูห้าสิบแปดอัคตินไฟต์ช์อวัยวะเลขอดีลดิฉันวาดรูปผู้ชายอกเทกันอแมนเริ่มจากสีสะก่อน ผู e er ste, ้ชายสวมหมวกดิม so ันดรเอรมองไม่เห็นเส้นผมเมส์การ i ี้ดิฮมองไม่เห็นหูด้วยเมส์ก n น di เวอรมองไม่เห็นหลังด้วยเมกน ดิร์กซีนีดิฉันกำลังวาตาและปากแอคทีเ n นดิอเวอนินดิมูนตผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะดิมันดอนสอินลัผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวดมันอตลังนส เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา draw stock his hand. เขามีผ้า พ, พันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยมั draw scarf มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นเด็ดสแขนแข็งแรง ดีอาร์ s ส์ส์ก็สปีขาก็แข็งแรงด้วยดีเบีย e นอร์ส์ก็อวกขผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ Die man is van s n e e u นียวขโแต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม Hy ดรอนีเอบรูคออฟเอเยสเน แต่เขาก็ไม่หนาวสัน่นมอร์ดิมันฟรีส์นีเขาคือตุ๊กตาหิมะไฮออสส์นิวแมน